ทรงปรารบภิกษุณีสุนทรีนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกำนัดยินดีการถูกต้องกายกับชายผู้กำนัดถามในปาราชิกสิกขาบทที่ห้านั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปนณะบัญญัติอยู่หรือ ตอบในปาราชิกสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปัณะบัญญัติถามมีสัพพะทะบัญญัติประเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสัพพะทะบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอสาธารณะบัญญัติอยู่หรือตอบ มีอาสาธารณบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุพโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาพระปาติโมกขุเทศสีอุเทศปาราชิกสิกขาบทที่ห้าจัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบจัดเข้าในนิทานุทเทศ นับเนื่องในนิฐานุเทศถามมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศไหนตอบมาสู่อุทเทศโดยอุทเทศที่สองถามบรรดาวิบัตสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนตอบเป็นศีลวิบัติถามบรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตไหนตอบ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 เป็นอาปัตตาธิกรถามบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงรับด้วยสมถะเท่าไรตอบระงรับด้วยสมถะสองอย่างคือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตกระณะถามในปราชิกสิกขาบทที่ห้านั้นอะไรเป็นพระวินยัยอะไรเป็นอภิวินยัย ตอบพระบัญญัติเป็นพระวินัยการจําแนกเป็นอภิวินัยถามในปาราชิกสิกขาบทที่ห้านั้นอะไรเป็นพระปาติโมกอะไรเป็นอธิปาติโมกตอบพระบัญญัติเป็นพระปาติโมกการจําแนกเป็นอธิปาติโมกถามอะไรเป็นวิบัติตอบ ความไม่สํารวมเป็นวิบัติถามอะไรเป็นสมบัติตอบความสํารวมเป็นสมบัติถามอะไรเป็นข้อปฏิบัติตอบการที่พิกษุนีสมาทานอาปาณะโกติกะีิ์ตลอดชีวิตว่าเราจะไม่ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติถามพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่หแก่ภิกษุณีทั้งหลายทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรตอบทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่5แก่ภิกษุณีทั้งหลายทรงอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2.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 เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสแปเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วเก้าเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสิบเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยถามใครศึกษาอยู่ตอบภิกษุณีผู้เป็นพระเสขะ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 ตอบภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงจำปาราชิกสิกขาบทที่ห้าได้ทรงเอาไว้ถามเป็นถ้อยคำของใครตอบเป็นพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนำมาตอบพระเถระทั้งหลายนำสืบสืบกันมา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 มีปัญญามากเหล่านี้คือพระมหินทะพระอิติยะพระอุติยะพระสัมภะพระเทระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมรดได้ประกาศพระวินัยปิดกไว้ในเกาะตามพระปั น, นีิ